พุทชาวิศัิชนาธรับ ก, กับท่านหลวงตาณรงศักดิ์ศรีนานโนยตองเปลี่ยนหลงงให้เป็นรู้ดูจิติภานการตอนที่หนึง่ง ตอนนี้มันก็จะมีเรื่องที่ให้คิดหรือว่าเรื่องที่ให้แช่อยู่ในอารมณ์อยู่เหมือนกันนะเจ้าค่ะ อ, อดีตเป็นความฝันนะอย่าเอาเก็บมาเป็นปัจจุบันอนดีตเป็นความฝันปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะแต่ละขณะคือความจริง อดีตก็แล้วอดีตอะไรก็แล้วไปถูกใจไม่ถูกใจพอใจไม่พอใจก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปทั้งหมดเนี่ยอดีตก็ฝันปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะคือความจริงธรรมะคือปัจจุบันรู้จักปัจจุบันไม่มีอะไรเป็นธรรมถ้าอดีตไม่แล้วไปอดีตไปแล้วไปจะเป็นธรรมเมาไปกังวลกับอนาคตมันจะเป็นธรรมเมาให้รู้ปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะแล้วปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านไป อย่ามาพัวพันใจอดีตทั้งหมดอย่ามาพัวพันใจใครรู้แต่ปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเลยไปแล้วปล่อยผ่านไปปลยผาไปทำมีแต่ปัจจุบันนะปัจจุบนนันธรรมหลุดจากปัจจุบันนี้มีอะไรเป็นธรรมหลวงปู่ท่ า, ทา น, น, นว่าเราโดนดุหลายรอบตรงเนี้หลุดจากปัจจุบันไม่มีอะไรเป็นธรรมเลยทิ้งไปให้หมดทิ้งไปให้หมดอดีตทุกขณะ ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วที่เนี้หมดที่นี้ยอยู่กับปัจจุบันเวลาจะดับกิจจะตายก็ต้องรู้อยู่ปัจจุบันปัจจุบันให้ได้ตึงไวในปัจจุบันละไปในปัจจุบันลุยปัจจุบันละไปในปัจจุบันให้ได้เวลาจะตายอย่าไปไหลออกไปได้เด็ดอย่าไปไหลไปไน้เดีดได้เด็ดขาดอย่าไปกับอนาคตให้มันละในปัจจุบันอย่าไปเกาะเกี่ยวอะไรในปัจจุบันไมอย่าไปเกาะเกี่ยวกับอะไร รู้ในปัจจุบันละในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันละในปัจจุบันรู้ในขณะปัจจุบันขณะจิตปัจจุบัน Egypt, ทุกข์เกิยาอาการเนี่ยรู้อะไรก็รู้ใจตนเองเนี่ยนะสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจไปวางที่ใจสติตั้งที่ใจสติตั้งที่ใจผู้รู้ก็เลยมารู้ที่ใจสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจผู้รู้ก็เลยมารู้ที่ใจ รู้จี่ใจไม่เ้ลือทอะไรหลักรู้เพื่อแครสัพแต่ว่ารู้อยู่กับผู้รู้อยู่กับรู้อย่าไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ลูกเป็นสิ่งที่ถูกรู้เสียงเป็นสิ่งที่ถูกรู้รถเป็นสิ่งที่ถูกรู้กลิ่นเป็นสิ่งที่ถูกรู้รถเป็นสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่มาสัมผัสกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้กิริยาอาการของใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้ ทำอารมณ์ทั้งหมดน่ะสภาวธรรมใดๆทั้งหมดที่ปรากฏในใจลดเป็นสิ่งที่ถูกรู้อย่าไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ให้อยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับผู้รู้อยู่กับรู้อยู่ผู้รู้คืออยู่กับใจของตนเองเนี่ยอย่าไปเกาะเกี่ยวผัวพันสิ่งใดได้แต่สักว่าอ่ะยังอื่นนะทั้งหมดเนี่ยรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสทำอารมณ์อาศัยเป็นเครื่องระลึกรู้ไอ้แค่เป็นเครื่องระลึกรู้อยู่กับใจของตัวเองผู้รู้ผู้รู้อยู่กับผู้รู้เนี่ยอยู่กับใจของตัวเอง ใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรหรอกมีแต่กิริยาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่มีใครเข้าไปสำรวจไม่มีใครเข้าไปรองรับไม่ได้ไปคอยจ้องรู้จ้องจ้องรู้จ้องเห็นหรอกมีแต่กิริยาการที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในใจของตนเองเห็นแต่แค่นี้ตลอดไปทุกกิริยาการที่เกิดขึ้นในใจมีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป อย่างเงี้ยเราไปอยู่กับผู้รู้ไม่ไปอยู่กับอาการที่ถูกรู้วางโล่งผูงเบาสบายไปยื่นผลผักใส่อาการที่ไม่สบายใจอันนั้นไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้อาการที่ถูกรู้ต้องอยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้ใจของตัวเองที่ไม่เข้าไปก่อเกี่ยวอะไรได้แต่รับรู้ทุกอย่างแต่ไม่ก่อเกี่ยวพวกพันสิ่งไดเลยต้องอยู่ให้ได้อยู่ไม่ได้ตายแล้วมันก็ไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้หมดเนี่ยเพราะมัน จะดับจิตมันจะทรมานแสนสาหัสไปเกาะเกี่ยวบัวพัน์ทั่วหมดเป็นเกาะเกี่ยวร่างกายเกาะเกี่ยวความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกาะเกี่ยวจิตใจกลัวมันตายกลัวมันจะแตกนับใจไม่มีแตกไม่มีดับไม่มีเกิดไม่มีตายใจมันเป็นอมตะธาตุมันเป็นธาตุรู้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิริยาการใดๆไม่มีการเกิดไม่มีการดับมีแต่รู้มีแต่รับรู้ไม่แต่รู้ มันไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ดับไม่ทําลายไม่มีใครทําลายมันได้ไอ้ที่แตกดับที่ตายมาทุกชาติมันเป็นแต่เรื่องของขันที่มันที่มันไปปรุงแต่งเกิดขึ้นมาในแต่ละชาติแล้วก็ดับไปแต่ใจไม่มีวันดับเป็นอมาตะาตลอดกาลใจตรงนี้เนี่ยมันเละล่อนไปอยู่ในร่างต่างๆทั่วไปแล้วแต่บุญบาปกรรมดีและกรรมชั่วที่ทําเอาไว้พอความยึดติดนี่แนี่ ไปจับเอาสิ่งที่ถูกรู้อาการที่ถูกรู้ไปยึดกับสิ่งที่ถูกรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปยึดจับสามีภรรยาลูกหลานพ่อแม่พี่น้องสมบัติพันธสัญญาตำแหน่งลาบยศมันไปจับอยู่ภายนอกไปจับเอาสิ่งที่ถูกรู้ไปยึดเอาสิ่งที่ถูกรู้ไม่อยู่กับใจพวกรู้เวลาตายแล้วมันก็เลยไปเกาะเกี่ยวบัวพันไปเกิดไปเกาะเกี่ยวบัวพันไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็ดอสุรกายไปเป็นหมาเฝ้าบ้านเขา ไปเป็นงูเฝ้าที่ดินไปเป็นงูเจ้าที่พระเจ้าจริงห้ามฉันเนื้อหม า, มาบ้านเอที่ห้ามฉันก็เพราะว่าหมาบ้านเนี่ยมันคือพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเรานี่แน่เป็นพ่อแม่นี่แน่มันห่วงลูกหลานที่สุดแหละพอตายแล้วก็เลยมาเกิดเป็นลูกของลูกพอเกิดเป็นหมาในบ้านพอเกิดเป็นลูกของลูกไม่ได้เพราะว่าเขาไม่พร้อมที่จะให้เกิดเขา เม้นไม่มีไข่ไม่ตกเลยไปเกิดเป็นหมาเฝ้าบ้านเขาบมื่บุญกิดเป็นคนก็ไม่พอของเราที่สร้างไว้เมื่อบุญที่จะเกิดเป็นคนไม่พอก็เลยไปเกิดเป็นหมาเฝ้าบ้านเขาเล่น่อนไปมาอย่างไรก็ต้องกลับไปอยู่กับบ้านของลูกได้ผลของกรรมเนี่ยพระเจ้าจึงห้ามฉันเนื้อหมาเพราะมันพ่อแม่อุย่าตายายที่ห่วงลูกห่วงหลานทั้งนั้นเนี่ยอย่าไปเกาะเกี่ยวพัวพัน อยู่กับรู้อยู่กับใจของตัวเองอยู่กับรู้รู้ทั้งตารู้ทั้งหูรู้ทั้งจมูกรู้ท rite, ั้ทงลิ้นรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจรู้ความคิดรู้ทุกคิดรู้ทุกอาการอย่าไปอยู่กับความคิดอย่าไปอยู่กับเรื่องที่คิดให้อยู่กับรู้สักแต่ว่ารู้อยู่กับรู้อยู่กับใจของตัวเองเนี่ยใจไม่แตกไม่ดับไม่ทำลายไม่อาจทาลายได้บรรลุนิพพานแล Regular, ้วก็ทาลายไม่ได้ cka. ใจมันเป็นอนมตธาตุอมตธรรมเป็นนิพพานธาตุเป็นพุทธะแปลว่าผู้รู้พุทธะแปลว่าผู้รู้อยู่กับใจของตัวเองนะอย่าอย่าเอาสิ่งที่ถูกรู้เป็นที่พึ่งอย่าไปพึ่งคนอื่นจะไปเกาะเกี่ยวคนอื่นจะเอาใจเราไปฝากไว้ที่คนอื่นสิ่งอื่นเพราะคนอื่นเนี่ยล้วนแต่ไม่มั่นคงล้วนแต่ไม่เที่ยงให้อ ย, อยู่กับใจของตัวเองเป็นที่พึ่งแก่ใจของตัวเองเอาใจของตัวเองเป็นที่พึ่ง ให้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ทุกขณะปัจจุบันรู้อะไรก็รู้รู้ทุกกริยากิจรู้ทุกคิดรู้ทุกอาการสักแต่ว่ารู้ทุกคิดทุกอาการในขณะปัจจุบันสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจสติเมื่อตั้งที่ใจมันก็เลยรู้ที่ใจก็สักแต่ว่ารู้ถ้าสามารถสักแต่ว่ารู้ที่ใจได้ก็ไปรู้มันก็จะสักจะรู้ทุกอย่างในโลกนี้ทั้งหมดสักแต่ว่ารู้รู้รู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสได้หมดแหะ เพราะกริย า, าการของใจอมันใกล้ใจที่สุดแล้วเรายังสักแต่วรู้ได้้เรื่องภายนอกเลยไม่มีความหมายมันจะสามารถสักแ ต, ต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินได้สําคัญที่สุดก็คือสักแต่วรู้อาการทุกกริยาการของใจกริยาอาการของใ จ, า อ, าา อ, งใจอาการของใจมันจะดีเลิวประเสริฐยางไงก็สักแต่วรู้อย่าไปอย่าไปอยู่กับอาการที่ถูกรูก้อาการของใจมันจะว่างโล่งโปร่งเบาสบายมันจะนิ่งมันจะสงบสงัดมันจะ สบายใจมากเลยมาอยู่ที่นี่ก็สักแต่ว่ารู้อย่าไปยึดเขาจะไปเกาะไปเกี่ยวไปพัวพันอย่าไปอยากได้แต่แต่สักแต่ว่ารู้อาการของใจมันไม่ว่างไม่โล่งไม่โปรเบาสบายก็อย่าไปดิ้นหล่นผักใสให้รู้ทุกคิดรู้ทุกอาการทุกคิดทุกอาการอสักแต่ว่ารู้ทุกคิดทุกอาการมันจุกจิกจกจิกจุกจิกจุกจอย่างนี้ในใจสักแต่ว่ารู้ทุกจุกจิกุกจกทุกอาการสักแต่ว่ารู้ เมื่อไหไรไม่รู้คิดเนี่ยหลงคิดแล้วหลงเอาตัวเราไปคิดหลงเอาตัวเราไปไปเป็นสังขารบุงแต่งไปคิดน่นคิดนี่หลงกัาตัวเราไปคิดน่นคิดนี่คิดน่นคิดนี่ไม่รู้จิตที่คิดแต่เอาตัวเราไปคิดเนี่ยมันต่างกันมากนะระหว่างหลงเอาตัวเราไปคิดไปปรุงไปแต่งเนี่ยกับรู้ตัวเราที่ไปคิดไปปรุงไปแต่ง ให้รู้ตัวเราเนะี่ยที่มันไปคิดไปนึกไปตึกไปตองแล้วก็อยู่กับรู้อย่าเอาตัวเราเนะี่ยไปคิดไปนึกไปตึกไปตองไปเมีอารมณ์แต่อย่างเนี้ยมันจะเป็นโลกมันจะไหลไปสู่อบายไปเป็นสติฉันเป็ตัสุรกายสัตนรกให้รู้อยู่กับใจของผู้รูก้ก็คือรู้ตัวเราเนี่ยรู้ร่างกายจิตใ จ, จรู้ตัวเรานี่เนี่ยไม่ใช่รู้อะไรหรอกก็รู้ร่างกายจิตใ จ, จของเรานี่เนี่ยจากตะ ว, วันรู้แต่ทาไมรู้ทุกคิดทุกอาการในขณะปัจจนะุบันเน่ยมันจะเอาตัวเรานี่ยไปคิด ไปมีอารมณ์ไปมีอาการอันเนี้มันจะไหลไปสู่อาบายมันต่างกันฟ้ากับดินถ้าเรารู้ตัวเรารู้ใจเรามันจะเป็นรู้อยู่กับผู้รู้อยู่กับรู้นี่อยู่กับใจของตัวเองไม่ใช่ไปอยู่กับร่างกายจิตใจจิตเป็นความรู้สึกเมื่อคิดอารมณ์นะเมื่อไหร่ไม่รู้ทุกคิดทุกกริยาทุกคิ ด, ท, คดทุกคิดในใจนเะนี่ยมาหลงคิดไปแล้วหลงกับตัวไปคิดหลงกับตัวไปมีอารมณ์อันนั้นเนี่ยมันจะพาไปสู่อาบาย ต้องสังเกตให้ออกระหว่างเราหลงเอาตัวเราไปคิดหรือหลงสังขารปวุงแต่งหรือหลงไปปรุงแต่งตะเองหลงไปคิดตัเองหลงไปมีอารมณ์ตัเองกลับรู้ตัวเราว่ากำลังมีอารมณ์อะไรมีความคิดอะไรในขณะปัจจุบันไม่ใช่ไปรู้เรื่องที่คิดหรอกมันเห็นลักษณะเหมือนกับตัวเราถล่มไปมันถล่มไปเอาตัวเราถล่มไปไ ป, ไปคนตึกตรองไปคนคิดตึกตรอง ไุ๊บจิ๊บจุมันถล่มมาตัวเราลงไปทั้งตัวแต่เราไม่ถล with. ่มเนี่ยมันจะเห็นแต่กิริยาการไหวๆไหวๆในใจแต่ไม่มีตัวเราปรากฏถ้าเราไม่ถล่มมาตัวเราไปคิดไปตึกไปตองอะไรเนี่ยมันจะเห็นแต่กิริยาการไหวๆไหวๆแต่ไม่ตัวเราไม่มีตัวเราปรากฏไม่มีตัวใจปรากฏไม่มีผู้รู้ปรากฏมีแต่อาการไหวๆในใจตัวเราไม่ปรากฏตัวผู้รู้ไม่ปรากฏตัวใจไม่ปรากฏปรากฏแต่มีการไหวๆไหวๆอยู่ในใจอย่างนั้นแหละแต่ไม่มีตัวใจไม่มีตัวผู้รู้ เนี่ยเขาเรียกว่าสักแต่ว่ารู้แต่ถ้าตัวเราเนี่ยเอาตัวเราถลำไปคิดเนี่ยมันจะคิดเป็นเรื่องมันจะคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดถึงเป็นเรื่องเลยมันจะคิดเป็นเรื่องคิดเป็นคนเลยคิดเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดอดีตอนาคตอย่างนี้ยมันเอาตัวเราถลำไปคิดมันคิดเป็นเรื่องเลยอย่างนี้เราก็ต้องรู้ตัวรู้ทันขึ้นมาแล้วละออกมาซะเดี๋ยวมันจะหลงกับตัวเราไปคิดอีกเราก็รู้ตัวสึกตัวขึ้นมาแล้วก็ละออกมาซะ เดี๋ยวว่าถลัมมาตัวเราไปคิดในเรื่องคิดถึงคนนั้นคนนี้อย่างนี้มาถลัมไปทั้งตัวแล้วเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาละขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาลกขึ้นมาเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หลงเอาตัวเราถลัมไปคิดนู้นคิดนีอีกแล้วเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาเดี๋ยวก็แป๊บเดียวก็หลงไปถลัมไปเอาตัวเราไปคิดนู้นคิดนี่เราก็รู้สึกตัวขึ้นมาพอเรารู้ตัวรู้ตัวบ่อยๆเนี่ยมันก็หลงถลัมาตัวเราไปคิดน้อยลงไปเรื่อยๆสั้นลงไปเรื่อยๆน้อยลง จนกระทั่งมันรู้เข้ามาถึงใจใกล้ใจใกล้ใจเข้ามาใกล้เิราอาการของใจขึ้นมายังไม่ทันถลําเข้าไปเลยพอมันเริ่มจะถล่มนิดเดียวก็เริ่มรู้ตัวจะถลําตัวเอาไปคิดไปตึกไปตองเรื่องอะไรมันก็รู้ตัวแหละแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้๋ยวถล่มอีกจนกระทั่งมันไม่ถล่มเอาตัวไปคิดเลยมันเห็นแต่กดรีอาการไหวไหวไหวไวไหในใจของเราอ่ะมันไม่เอาตัวถล่มไปคิดเลยอันนั้นแหนกที่ท่านกล่าวว่าหลวงปู่มั่นท่านว่ารู้ต้นจิตจิตต้นพลหวยหัวนี่ รู้ต้นจิตจิตต้นบนหน่วยหัวนเนี่เออถ้าไปรู้ปลายจิตผิดทันทีคือไปรู้ปลายจิตไปคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้ค่อยรู้ตัวรู้ปลายจิตก็ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ค่อยรู้ตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ไปรู้ปลายจิตคือมันไปคิดเป็นเรื่องเแล้วคิดถึงคนนั้นคนนี้เรากว่าจะรู้ตัวขึ้นมาอย่างเนี้ยมันไปรู้ปลายจิตคือมันเอาตัวเราเนี่ยไปถล่มเข้าไปจนท้งตัวแล้วแล้วก็ไปคิดเรื่องนู้นคิดถึงคนนู้นคิดถึงคนนี้แล้วก็กว่าจะรู้ตัวขึ้นมาก็ช้าไปอย่างเงี้ย แต่ก็ต้องทำอย่า ง, ง น, นั้นแน่คือมันถล่มมาแล้วไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปคิดนานแล้วก็เราก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัขึ้นมาเจ้ก็ตั้งมันเข้ามาหาต้นจิตจิตต้นนะก็คือผู้รู้นี่แน่มันเหมือนกับอย่างเนี้ยเลขหนึ่งไทยอะ่ะเลขหนึ่งไทยของคนไทยเนี่ยมันก็มีไอ้หัวมันอ่ะอยู่ตรงกลางเรียกว่าศูญญตาแล้วก็มันก็ ขีดหมุนไปเป็นเลขหนึ่งไทยหมุนเส้นออกไปจะให้หัวเวลาจะเขียนเลขหนึ่งไทยมันก็เขียนศูนย์ซะก่อนน่ะเรียกว่าศูนย์จัตตาอยู่ตรงกลางหัวมันะแล้วก็ขีดเป็นเส้นออกไปวนไปวนไปวนไปเรื่อยไปเรื่อยถ้าเราไม่รู้ตัวสะกทีอะมันก็วนหลายรอบเป็นเลขหนึ่งไทยหมุนวนวนวนหัวมันเนี่ยหลายรอบเพราะว่ามาอะไรไม่รู้ตัวสัทีตอนเนี่ยมันก็ โศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจกับอดีตกับอนาคตกับคนนั้นกับติ่งนั้นติ่งนี้มันติดไปเรื่อยอย่างงั้นแหละแล้วก็เราก็รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมามันก็เออ่ะรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาแป๊บเดียวมันก็คิดต่ออีกแล้วรู้สึกตัวมาแป๊บเดียวมันก็คิดต่ออีกแล้วเพี้ยวนิดทีเดียวที่รู้สึกตัวขึ้นมาว่าหลงไปแล้วมันก็คิดต่อถล่มไปเป็นการเป็นหางเล็กหนึ่งทายหมุนออกไปอีก ตอนนี้มันก็จะหมุนยาวหรือหมุนสั้นอยู่ที่เรามาันขยันรู้สึกตัวขึ้นมาพอคิดต่อไปหมุนรู้สึกตัวขึ้นมาไอหางเลขหนึ่งไทยเนี่ยมันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงเข้ามาเรื่อยเสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามามันสั้นเข้ามาหาศูนย์คือศูนย์กลางคือใจสั้นเข้ามาหาใจตัวเองก็เรียกว่าจิตต้นต้นจิตก็คือใจนเนี่ยแหละจิตดั้งเดิมแท้ๆคือศูนย์ศุญญ์ตาจนกระทงังมันจจุ๊กกิใจไม่ไปเลย มีแต่อาการยุกยิกยุกยิกแต่ใจไม่ไปเลยเนี่ยจิตดั้งเดิมแท้ๆหรือต้นจิตเนี่ยไม่ไปออกไปเลยไม่ขยับออกไปเลยแต่แต่รู้แกสังส่งบอกว่ารู้ยุกยิกยุกยิกอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีถล่มมาปเป็นลากไปเป็นหางเลขหนึ่งยาวไกลออกไปวันเนี้ยมันแค่ตัดหางเลขหนึ่งเนี่ยมันสั้นมันมันสั้นคึ้นมาทุกทีพอเราหลงยาวๆเนี่ยหางเลขหนึ่งมันโอ้มาทีหลายรอบเลยไม่ยังไม่ไม่รู้ตัวสักทีพอรู้ตัวเสร็จเอา้เอาวแป๊บเดียวเลขหนึ่งหายไปเอาใหม่แล้ต่อ ฝนใหม่อีกละเล็กหนึ่งยาวไปอีกตอนนี้ความที่เรารู้สึกตัวบ่อยๆพราะมันลงแล้วรู้สึกตัวลงแล้วรู้สึกตัวลงแล้วรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เลยไอ้เล็กหนึ่งฐานเล็กหนึ่งไทยเนี่ยมันสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นเข้ามาหาใจเข้ามาสู่จิตตาจนกระทั่งมันอยู่กับสุญญตาอยู่กับใจของตัวเองมันจะคิดมันจะจุ๊กจิ๊จุ๊ิ๊จุ๊ิ๊กยังไงใจไม่ไปไม่มีตัวใจออกไปพอใจเป็นสุญญตาแล้วมันไม่มีตัวใจมันไม่มีตัวผู้รู้ด้วย มีแต่รู้แต่ตัวตัวผู้รู้ไม่มีนั่นแหละคือใจใจหรือเ ร, เรียกว่าจิตตั้งเดิมทแท้ๆหรือพุทธะหรือนิพพานธาตุหรือธรรมธาตุการรู้ที่ใจรู้อย่างไรก็เหมือนกับเนี่ยเวลาตาเราเห็นรูปเนี่ยเราก็เห็นรูปไปเลยโดยที่เราไม่ต้องตั้งใจที่จะไปเห็นรูปจงใจที่จะไป็นรูปเจตนาที่จะไปเห็นรูปหรือพยายามจะไปเห็นรูปคือพอมีรูปมาปรากฏให้ตาได้เห็นตาก็เห็นไปเลยอย่างเงี้ยเรียกว่ารู้รูป พอมีเสียงมีเสียงเกิดขึ้นหูก็ได้ยินเลยพอมีเสียงปอบหูก็ได้ยินเลยไม่ใช่ว่าต้องจงใจไปได้ยินเสียงตั้งใจไปได้ยินเสียงพยายามได้ยินเสียงคือมีเสียงก็ได้ยินเลยพอมีอาการของใจใจก็รู้เลยพอมีอาการเกิดขึ้นในใจใจก็รู้เลยโดยด้วยพี่ไม่ต้องตั้งใจไปดูไปรู้ไปพยายามเพ่งไปพยายามจ้องอาการของใจคือพอมีอาการของใจใจก็รู้เลยพอมีอาการของใจเกิดขึ้นใจก็รู้เลยแต่ใจมันไม่ไม่มี ไม่มีตัวใจขยับไปเหมือนกับว่าพอมีรูปเกิดขึ้นตาก็เห็นเลยไม่มีไม่ไม่ไม่รู้สึกว่ามีตาแต่มันเห็นแต่รูปแต่ไม่ไม่เห็นตาไม่รู้สึกว่ามีตาพอมีเสียงเกิดขึ้นหูก็ได้ยินเสียงเลยไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ยินหูแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีหูได้ยินแต่เสียงพอรู้อาการของใจพอมีอาการใจเกิดขึ้นใจก็รู้เลยแต่จะไม่ปรากฏตัวใจผู้รู้แต่ปรากฏแต่อาการของใจที่ถูกรู้ คือสรุปแล้วคือการรู้ทางประตูใจเนี่ยรู้ธรรมอารมเนี่ยรู้ธรรมอารมทางประตูใจเนี่ยมันเป็นรู้แบบเดียวกับที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมันเป็นแบบรู้แบบเดียวกันไม่ได้รู้แตกต่างกันถ้าเรารู้ประตูใจเนี่ยได้เหมือนกับรู้ประตูตาประตูหูเนี่ยมันก็จะพ้นจากทุกข์ไม่ได้ไปรู้แตกต่างกันเราจึงพยายามจะเปรียบเทียบ ประตูตาประตูหูกับประตูใจรู้ทางใจรู้อาการทางใจรู้ความคิดรู้กิริยาการทางใจรู้ธทำอารมณ์ก็คือรู้ความรู้สึกมันคิดอารมณ์รู้สิมันไหวกระเพื่อมมันปรุงแต่งมันมีกิริยาอาการนั่นคือมันเป็นอะไรก็ตามที่มันน่ะให้ถูกรู้ได้ทางใจเนี่ยมันเป็นมันเป็นธทำอารมณ์หมดคือทางประตูใจแล้วเรามาเทียบกับทางตาทางหูซะมันก็จะรู้ชัดว่า โอ้เวลาเราจะรู้รูปเนี่ยมันต้องมีรูปโผล่ขึ้นมามีรูปเข้ามาให้ตาได้เห็นตาจึงเห็นแต่ถ้ายังไม่มีรูปเข้ามาในที่นี้เราก็จะไม่เห็นรูปที่ยังไม่เข้ามาพอมีรูปเข้ามาในที่นี้เราก็เลยเห็นรูปเราจะไม่เห็นรูปในอดีตและเราก็จะไม่เห็นรูปในอนาคตเราจะเห็นรูปรู้รูปแต่รูปที่เป็นปัจจุบันที่มันโผล่มาให้ตาได้เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมธรรมคือมันรู้ปัจจุบัน แต่ถ้าไปรู้ในอดีตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นธรรมก็ว่ามันต้องคิดปรุงแต่งไปเป็นอดีตเนั้นถ้ารู้รูปในอดีตเนี่ยมันจะไม่เป็นธรรมไปรู้รูปในอนาคตมันก็ยังไม่เป็นธรรมเพราะว่ามันธรรมคือมันปรากฏให้ได้ื่องรู้ในปัจจุบันยังเรียกว่าธรรมเานั้นธรรมมันคือปัจจุบันเท่านั้นคื อ, อพอมีรูปโผล่มาตาก็าได้เห็นพอมีเสียงเกิดขึ้นหูก็ได้ยินพอมีอาการทางใจเกิดขึ้นใจก็ได้รู้ มันไม่ใช่ว่าไปคอยจ้องไปคอยดูไปคอยรู้ไปพยายามรู้หรอกมันก็ได้แต่แค่รับรู้รับทราบแค่ได้ยินแค่ได้เห็นแค่ได้ยินแค่รู้อาการของใจมันแค่ได้แต่รู้เนี่ยแค่ได้แต่รู้เป็นอย่างเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของธาตุรู้หรือรู้อย่างเป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมธาตุธรรมธาตุคือธรรมชาติของการรู้อย่างที่ตาเห็นหูได้ยินแล้วก็รู้ทั้งใจมันเป็นธรรมชาติแบบเดียวกันไม่ใช่ว่า รู้แล้วเนี่ยจะต้องไปได้อะไรอีกไม่มีบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้แล้วอาจารย์เดี๋ยวจะไปได้อะไรอีกไม่มีได้อะไรนั้นถ้าได้อะไรเป็นกิเลสมันไม่มีได้อะไรหรอกพอจะไปได้อะไรเป็นกิเลสทั้งหมดแล้วไปกิเลสมันไม่สิ้นกิเลสก็จะบรรลุนิพพานไม่ได้มันไม่มีจะไปได้อะไรหรอกก็จะถามก็เรงจะไปได้อะไรจะไปเอาอะไรรู้แล้วไปทําให้ว่างรู้แล้วไปทําให้นิ่งรู้แล้วไปทําให้ให้เป็นอะไร มันไม่รู้แล้วไปเป็นอะไรได้หรอกก็มีตาเห็นรูปมันก็ได้แต่เห็นจะเป็นอะไรอูได้ยินเสียงมันก็แต่ได้ยินไม่เป็นเป็นอะไรได้หรอกมีอาการทางใจเกิดขึ้นมันก็ได้แต่รู้อาการทางใจมันไม่เป็นอะไรหรอกมันก็ได้แต่รู้เมื่อไหร่เนี่ยสักแต่ว่ารู้เนี่ยมันก็เป็นนิพพานพระพุทธเจ้าตัดกับพิยะแบบนี้พิยะเป็นคาวาดด้วยว่าถ้าเธอเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรู้อาการทางใจสักแต่ว่ารู้เนีเนี่ยเธอจะไม่มีตัวตนของเธอในปัจจุบันไม่มีตัวตนของเธอในโลกหน้า เธอจะสิ้นจากทุกพ้นจากทุกเธอจับบรรลุพนันธุ์านอ๋อพยายาฟังจบอ๋อมันคือการรับรู้อย่างธรรมชาติตามปกตินี่เองแค่นี้เองอะ่ะเลยพลายาก็รับรู้ตามปกติไปเลยโดยไม่ได้หมายว่าพนันธุ์านคืออะไรพันธุภานคือการรับรู้อย่างตามปกติตามธรรมชาติถ้าสามารถรับรู้ตามปกติธรรมชาติทางตาทางหทางูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจได้นั่นแหละคือพนันธพภาน พยายามฟังเ ข, เข้าใจเลยไม่ได้เป็นหีิรนค้นหาอะไรมากมายกว่านี้รู้พระนิพพานไปเลยไม่ได้ไปปักธงว่าพรนิพพานคืออะไรโอ้พรนิพพานคือว่างพรนิพพานคือเบาพระนิพพานคือสบายพรนิพพานคือสว่างหลายคนปฏิบัติผิดไปไปปักธงแบบนี้ไว้ไปมุ่งหาในสิ่งที่มันผิดพลาดแล้วมันก็เลยเละเทะหมดเนะี่ยเพราะว่าไปปักธงที่ผิดเป้าหมาย มันจะต้องรู้แล้วจะต้องไปเป็นยังไงรู้แล้วมันต้องเบาเบารู้แล้วมันต้องว่างว่ารู้แล้วมันต้องสบายสบายอันนั้นมันเป็นอารมณ์ทั้งหมดไอ้เบาเบาว่างวสบายมันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้มันเป็นธรรมอารมณ์ที่ถูกรู้ในปัจจุบันมันไม่ใช่เป็นรู้รู้เนี่ยมันไม่ว่างมันไม่เบามันไม่ไม่สบายไม่อะไรหรอกมันได้แต่รู้เป็นแต่รู้ถ้ามีอาการว่างว่างให้ได้รับรู้มันเป็นอาการที่ถูกรู้ แล้วก็อยู่กับรู้จะไปอยู่อาการที่ถูกรู้ถ้าเราไปจับว่าง ๆ, าง ๆ, างๆมาเมาสมัยเนี่ยมันไปจับอาการที่ถูกรู้มันไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ให้อยู่กับรู้อยู่กับรู้สักแต่วรู้นี่แน่พยะเธอจะบรรลุนิพพานพยัคฆ์ฟังจบความรู้นิพพ า, า, า, านเลยเรามีท่านใหเข้าใจสักเราทำไมไปสัก ควจะได้เข้าใจด้วยเข้าใจอย่างอะชิบวนผิดพลาดอย่างไงทั้งหมดและจะปฏิบัติยังไงไหนเออทมามไปพูดสิก็ที่ฟังหนุตาพูดก็คือมีแต่รู้อย่างเงี้ยค่ะไมถึงว่ามันไม่ต้องคือที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าไปปรุง พออะไรมากระทบก็ปรุงพอปลุงเสร็จก็ไปยึดอารมณ์เจ้าค่ะไปยึดอารมณ์เป็นตัวเองอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าเท่าที่ฟังหลวงตาก็คือจริงๆทุกอย่างมันเป็นแค่ถ้ามีสติก็คือเป็นแค่รู้รู้แล้วก็มันก็จะรู้เร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเจ้ค่ะคือบางครั้งก็เป็นนะเจ้าคะเป็นมันก็รู้เร็วเร็ว ในบางช่วงแต่ช่วงจิตตกก็รู้สึกว่ามันก็เมาไปอ่เจ้าค่ะมันก็ไปเป็นตัวเองหมดแต่ช่วงที่รู้เร็วบางครั้งเนี่ยมันเหมือนจิตคิดก็รู้จิตคิดก็รู้มันกลับมารู้ได้เร็วอเจ้าค่ะมันเหมือนกับบางครั้งพอเผลอไปเนี่ยมันตัดรอบเองเจ้าค่ะมันตัดรอบก็กลับไปที่ใจมันรู้คือบางทีมันไม่ทันเป็นเรื่องราวที่จะไปรู้อ่ะเจ้าค่ะมันเป็นแค่เหมือนอาการคิดขึ้นมาแล้วรู้ว่ามันมีอาการคิด แล้วก็มันก็กลับมาที่รู้เจ้ค่ะถ้าถ้าช่วงที่มันมันไม่มีอะไรติดค้างในใจอะไร้าค่ะเราต้องฝึกอยู่ตัวคนเดียวบ่อยๆนะฝึกอยู่ตัวคนเดียวบ่อยๆตัวซึ่งจะรู้ได้ถ้าเรานี่ไปกุ๊กคีหมู่ค้ะอยู่ตลอดเวลากุ๊กคีคนนั้นคนนี้จิตใจหมกมุ่นเรื่องการงานทั้งโลก โอกาสที่จะรู้มันไม่มีต้องฝึกอยู่ตัวคนเดียวเก็บเงียบแล้วก็จะรู้ได้รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปก่อใจผิดคือไปรู้แล้วไล่ดับให้ไม่คิดนะไม่ใช่ว่าไปรู้คิดแล้วพยายามไล่ดับให้ไม่คิดเพื่อจะให้มันว่างๆถ้าทําแบบนี้ก็ผิดอีกหลึ่คือมันมันเป็นยังไงก็ได้แต่ตั้แต่วารู้เพื่อให้รู้ทุกคิดถ้าเราไม่ได้ไล่ดับความคิดทั้งหมดแล้วมันจะเอาอะไรเป็นเครื่องระ ล, ลึกรู้นะ่ะ มันก็อาศัยคิดนี่แน่อาศัยจิตที่มันจิกจกจิกจิเนี่ยให้เป็นเครื่องระลึกรู้มันจะได้สักแต่ว่ารู้มันก็จะได้เป็นนิพพานถ้าเราไปดับความคิดทั้งหมดไปดับกิริยาการวนจิตทั้งหมดแล้วมันจะอาศัยเป็นเครื่องระลึกรู้ได้อย่างไรรู้นี่ก็คือรู้คิดรู้กิริยาการวนจิตนี่แน่อาศัยเขาเนี่ยเป็นเครื่องสักแต่ว่ารู้ก็บรรลุพรนิพพานไปแต่เราไปไล่ดับความคิดทั้งหมดได้เหมือนแล้วแต่ว่างๆเอาแล้วมันจะอาศัย จิตที่มันคิดจุกจี้จู้จี้ก็คิดอะไม่เลื่ราลือรู้ได้ยังไงอะเราฝึกให้รู้จิตที่มันคิดจุกจี้จู้เนี่ยแล้วเราก็สัต์แต่วรู้มันได้เราจะได้บรรลุวิปัานแต่เราไปไล่ดับมันซะหมดแล้วเราก็อ้าวแล้วเราจะไปทําอะไรจะไปปฏิบัติไงไปจับติดแต่ว่างๆไม่เจออะเปนคนละเรื่องลาวๆฟังแล้วไปกับคนละเรื่องตรงนี้ที่มีคําถามนิดนึงเจ้าค่ะคือเหมือนกับว่าตอนคิดแต่จิ่ก็รู้แต่พอรู้เสร็จเนี่ยมันเหมือนกับ หนึ่งสองสามไปละพอหนึ่งสองสามไปละพอมันรู้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกลับมาที่จิตอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะอย่างเงี้ยถือว่าถูกต้องไหมคะหรือว่ามันเป็นการดับความคิดเจ้าคะ่ะมันต้องดูว่าเราเราหลงเอาตัวเราไปคิดหรือเปล่าตอนเราเอาตัวเราไปหลงคิดเนี่ยเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมาความหลงก็จะหายไปเราไม่ไปดูที่ว่าไล่ดับความคิดคว่าให้ความคิดมันดับไปหรือความคิดมันมี มันดูตรงที่ว่าเราเนี่ยถลัมมาตัวเราไปคิดหรือเปล่าพอเราเนี่ยถลัมมาตัวเราไปคิดเนี่ยตอนเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยอาการก็ยังมีอยู่ภายในใจไม่ใช่ไม่มีไม่มีอาการแต่เราก็ล้างตัวเราไว้ไม่ให้ตัวเราเนี่ยไปเป็นคนคนคิดคนติดคนตองแต่อาการเมื่อพอเราล้างตัวเราขึ้นมาเนี่ยให้มาเป็นผู้รู้เนี่ยภายในใจเราก็จะยิ่งจุกจุกจุกจุกจุกจุกุกมันจะพยายามให้ตัวเราเนี่ยถลัมไปเป็นคนคิดไม่ได้เราก็ไไม่ถลป ไม่ใช่ว่าเราไปดูตรงความคิดล้วไล่ไปให้คิดไปคิดคิดไปคิดคิดไปคิดอย่างนี้นะคือดูที่ตัวเราเนี่ยถลามเป็นคนคิดไหมไม่เข้าใจคือทิปเคยมีสภาวะหนึ่งเหรอเจ้าค่ะมีสภาวะที่รู้ว่าเป็นสภาวะที่เป็นมีความคิดที่เป็นเจ้าของที่ที่ที่มีเราเป็นเจ้าของกับที่ไม่มีเราเป็นเจ้าของอะค่ ะ, ะมันเหมือนว่ามันเป็นสภาวะที่มันไม่ได้เอาตัวเข้าไปยึดยึด ความคิดหรือยึดสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเจ้าค่ะมันเหมือนกับเป็นสภาวะที่เห็นขึ้นมาเฉยๆเจ้าค่ะแล้วมันมันเห็นว่าอ๋ออันนี่เป็นสภาวะที่เอาตัวเราไปยึดมันเป็นสภาวะที่มีเราทั้งหมดเป็นเจ้าของมันเราทําอะไรเพื่อตัวเราหมดเลยกับอีกอันนึงมันไปเห็นเป็นสภาวะเฉยๆที่ขึ้นมาแล้วมันไ ม, ไม่ไม่มีตัวเราไปเกี่ยวกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าค่ะเดีอย่างนั้นเนี่ค่ะเราสังเกตไหมล่ะ <premises. S 2> เวลามีร oh ูปเนี่ยตาก็เห็นรูปขึ้นมาเลยพอมีรูปมาปรากฏตาก็เห็นเลยเราไม่ได้เคยไปไล่ไล่ทำลายรูปเลยเราได้แต่รูรูปแต่มันไม่ปรากฏตามันปรากฏแต่รูปเวลาหูได้ยินเสียงเนี่ยเราไม่เคยไปไล่ทำลายเสียงนะมันก็ได้ยินแต่เสียงแต่ไม่ไม่ได้ยินหูคือไม่ปรากฏหูมันปรากฏแต่เสียงเวลาความรู้สึกนึกคิดตึกตรองในใจเราเนี่ยมันปรากฏขึ้นมา มันก็ได้แต่แตมีกิร mm. ิยาอาการ ม, pues? ม, มันไม่ปร wow <im g ly> ากฏใจไม่ปรากฏใจผู้รู้ไม่มีใครเข้าไปเป็นเจ้าของมันมันก็ต้องคงไปแต่กิริยาอาการของมันเป็นอิสระเสรีแต่ไม่มีใครเข้าไปไปรองรับมันไม่มีใครเข้าไปยึดไม่มีใครเข้าไปทําลายมันเหมือนรูปเนี่ยไม่มีใครไปทํำลายรูปก็ได้แต่รู้รูปเสียงก็ไม่มีใครไปทํำลายเสียงก็ได้แต่รู้เสียงอาการของใจเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงเกิดของมันมีความรู้สึกหรือคิดตามปกติของมันน่แต่ก็ได้แต่รู้รู้อาการทางใจ มันได้แต่แค่นี้เองนะไม่เชื่อว่าเราไปไล่ทําอะไรอาการของใจหรอกแต่ถ้าเราหลงเนี่ยหลงคิดน่นคิดนี่เอาตัวเราไปหลงเราไม่เป็นรู้แต่เอาตัวเราไปหลงคิดน่นคิดนี่ไอเนี้ยเราต้องเลิกต้องเลิกเพราะว่าเขาให้รู้แต่เราไปเป็นคิดเราไปคนคิดอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเนี้ยเขาจ้างเรามาให้มาเป็นคนรู้เปรียบเหมันก็บอกว่าใครจ้างเราไปคนเฝ้าประตูเฝ้าประตู รู้ให้ให้รู้คนที่คนเข้าออกประตูให้หมดให้เราเป็นคนรู้ไม่ให้เราเป็นคนเดินเข้าเดินออกไอ้คนเดินเข้าเดินออกก็เหมือนกับจิิคิดแต่เราเนี่ยเป็นคนเฝ้าประตูแล้วรู้คนที่เดินเข้าเดินออกแม่ Young ที่ประตูตลอดแล้วคอยเช็คว่ามีคนเข้าออกประตูเนี่ยกี่คนแล้วกี่คนแล้วเพื่อนนามันเนี่ยไปรายงานพระราชาพระราชาสั่งมาบอกว่าเองจงไปเป็นคนเฝ้ารประตู มีคนเข้าออกประตูกี่คนแล้วก็มารายงานพระราชามันต้องแบบเนี้ยเปรียบเหมือนว่าไอ้จิตที่มันคิดคิดคิดคิดคิดคิดคคิดเนี่ยมันคือคนเข้าออกประตูไอ้รู้เนี่ยมันสามารถรู้ได้ทุกคิดรู้คนเข้าออกในทุกคิดเพราะอะไรมันเฝ้าประตูไว้มันก็ควรเฝ้าประตูเนี่ยแล้วมันก็เลยรู้จิตที่มันคิดคิดคิดคคิดเข้าเข้าออกเข้าเข้าออกประตูประตูใจเนี่ยเข้าเข้าออกทาประตูใจไอ้ไอ้รู้มันก็เลยรู้รู้ทุกคิดเพราะอะไร มันกลัวพระราชาฆ่าตายเพราะว่าพระราชาให้อาไปรายงานว่ามีคนเข้าออกผ่านประตูในกี่คนเดี๋ยวจะมีไส้ศึกแอบเข้ามาในเมืองมันกลัวพระราชาฆ่าตายมันเลยต้องรู้ทุกคนที่ที่เข้าออกผ่านประตูใจประตูนี่คือประตูใจไอ้รู้เนี่ยมันรู้ที่ประตูใจมันไม่ใช่ไปรู้ที่ประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายแต่มันรู้ที่ประตูใจพระราชาสั่งมาบอกว่าเองจงไปเฝ้าที่ประตูใจ มีความคิดเ mm. ข้าๆออกเข้าๆออกเหมือนกับมีคนผ่านเข้าออกประตูใจเนี่ยกี่คนมันกลัวพระลักษมณ์คาตายมันก็เลยต้องทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ได้แต่รู si ้มันไม่เผลอตามเข้าไปคิดตุ้นคิดดี่คิดตันคิดดีโดยที่ไม่รู้เลยว่าขนาดจิตคิดอยู่มันไม่ใช่ว่าเผลอคิดไปตามเข้าไปเรื่อยเลยพคนนี้เข้าคนนี้ออกเดินตามเข้าไปเรื่อยไม่ไม่รู้แล้วไอ้คิดที่หลังต่อมาก็เลยไม่รู้เลยมัวแต่ไปคิดอะไรเพลิน มัแต่คิดตนวคิดนี่เพินตอนนี้ในใจไม่รู้กี่คิดไปแล้วคนเข้าออกผ่านประตูไปไม่รู้กี่คนแล้วมัวแต่ตามเขาไปคนนี้สวยคนนี้หล่อตามเข้าไปเลยเดินตามเข้าไปคิดเพินไปถึงคนนู้นคนนี้อดีตอนาคตไอ้ที่มันผ่านเข้าออกประตูใจในปัจจุบันไม่ดูแล้วไปมีแต่เรื่องอดีตเรื่องคนนู้นเรื่องคนนี้เรื่องคนนั้นเรื่องอดีตจมไปกับอารมณ์วุ่นวายปิดเข้าไปแล้วโดยพระราชาฆ่าตายอย่างนี้เนี่ย เนี่ยเขาสมมุติไว้จริงจริงมีสมมุติไว้แล้วเราลู้กับคิดเนี่ยมันต่างกันไอ้ลู้เนี่ยคือมันรู้ที่ประตูใจเนี่ยเนี่ยมันไม่เป็นคนคิดไอ้คนคิดแล้วมันไปอดีตมันไปอนาคตไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ไอ้ลู้เนี่ยมันรู้ที่ประตูใจมันไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏอาการเคลื่อนไหวถ้ามันเคลื่อนไหวไปคนเข้าออกประตูหมดแต่รู้เนี่ยมันมัเคลื่อนไหวไม่ได้มันเฝ้าประตูไว้มันเคลื่อนไหวไม่ได้ แต่มันรู้สิ่งที่เคลื่อนไหวที่ผ่านประตูประตูใจทุกกริยาอาการเนี่ยแหะคือสิ่งที่ผ่านประตูใจมัน ร, รู้หมดเลยจะเข้าใจไหมเนี่ยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนี้ยไม่เข้าใจก็บอกไม่เข้าใจมาแล้วมันจะได้อธิบายใหม่ได้หาตัวอย่างใหม่เข้าใจไหมจิ๊บจิ๊บเข้าใจว่ามันเป็นลักษณะรู้แล้วไม่ได้ถลำไปอ่ะค่ะเอออย่างนั้นเนี่ยค่ะนนมันเหมือนเฝ้ามองสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยอะค่ะ คือเคยเห็นอาการนั้นแล้วมันเฝ้ามองนะไอ้เฝ้ามองไงตัวเฝ้ามองมันกิริยาการมันมันจะต้องมีกิริยาการเกิดก่อนค่อยรู้เหมือนกับว่าต้องมีรูปมาซะก่อนตาถึงเห็นแต่ถ้าเราไปเฝ้ามองก่อนโดยที่กิริยาการไม่เกิดเนี่ยไอ้ไอ้กิริยาการไปเฝ้ามองอันนี้เป็นกิริยาตัวเองเข้าใจค่ะคือคือตอนตอนที่สภาวะเกิดมันก็ไม่ได้ตั้งใจเจ้าค่ะที่บอกว่ามันไม่ได้ถล่มไปเป็นตัวเองอเจ้าค่ะมันก็เห็นว่าอาการมันเกิดมันรู้แต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปเอี่ยวกับมันเจ้าค่ะมันเหมือนกับ เห็นก็เห็นว่าอ๋อมันไม่ได้มีเอี่ยวกับมันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ได้เป็นสภาวะที่จิ๊บแบบสามารถที่จะอยู่ตรงนั้นไปได้ต่อเนื่องอะไรแบบนี้ต่อเนื่องไม่ได้แล้วต่อเนื่องก็หลงเลยค่ะมันต่อเนื่องไม่ได้มันรู้แป๊บเดียวมันก็หลงอีกแล้วรู้แป๊บเดียวก็หลงแล้วก็คอยรู้สึกตัวขึ้นมาเรื่อยๆค่ะมันจะไปรู้ต่อเนื่องยาวงไม่ได้แล้วรู้หลบต่อเนื่องยาวงั้นเป็นอัลังหันไปแล้วคือตอนนี้เหมือนว่าจิ๊บเห็นไอ้สภาวะที่มีผู้ยึดแล้วแล้วจิ๊บเห็นสภาววะทีี่่่ไมมผู้้ยึดแแลต จิ๊บก็ยังแกว่งไกวอยู่บางครั้งจิ๊ก็ไปเป็นอารมณ์บางครั้งจิ๊บก็ไปเห็นสภาวะตรงนี้เจ้ค่ะแล้วบางครั้งจิ๊บก็ยังผิดอยู่ที่จิ๊บก็ไม่แน่ใจค่ะหลวงตาเพราะว่าอย่างที่จิบอกหลวงตาว่าบางครั้งเนี่ยมันมีเหมือนว่าจิ๊คิดเออค่ะมันพอคิดเสร็จมันรู้ตัวพอรู้ตัวเสร็จความคิดมันมันยังไม่ทันหมายอ่ะค่ะมันมันก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะจิ๊บก็ไม่รู้ว่ามันผิดมันถูกแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่เห็นก็คือมันเหมือนกับขยุกขยิยข้างใน มันเหม <literal> ือนกาลังจะไปปรงอะแล้วค่ะถอย่างนั้นเนี่ยอนสุ้ายมันเหลือแต่เห็นแค่นั้นเนี่ยขยุกขยิบขยุกขยิกไม่คิดเป็นเรื่องเป็นราวได้หรอกแต่มันยังไม่ทันอาการขยุกขยิบขยกก็ยิบอย่างงี้น่แล้วก็สักแต่วารู้ที่ประตูใจรู้แต่อาการนั้ิเมืนขยุกขยิบขยุกยิไม่เป็นคิดเป็นเรื่องเป็นราวได้หรอกความคิดไม่อากถึงคนนั้นคนนี้อันนี้มันหลงแล้วมันหลงเอาตัวเราไปคิดค่ะความคิดมันไม่ได้ออกมาเดิมันไม่ได้ออกเป็นลมาีหลอกเดิมมันลยะ เพราะว่าภาษามัญหยาดมันมันสุดท้ายมันได้แต่คิดนึกติดตรองปิตกวิจาร์พอเลยอันนี้ไปไม่มีภาษาพูดแล้วค่ะภาษาที่เอาสมมุติมาเรียกอ่ะมันเกิดมันมันมันรู้จะภาษาอะไรมาเรียกมันตอไปแล้วคือมันไม่ใด้คิดด้วยมันจุ๊กจิกจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจย๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุกจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิุ๊กุกจิ๊กจุ มันจนเลยภาษาพูดไปแล้วไม่มีไม่มีสมมติบัญญัติที่จะมาเรียกกันตรงนั้นนะแล้วก็มันก็มีแต่จิกจุ๊กจิกอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใจออกมารับแด้แต่รู้ไม่มีตัวใจออกมารับมีแต่อาการของใจจุกจุ๊กจุกๆุ๊กจุกจกุกใจน่ะเนี่ยเหมือนกับทําท่าทําท่าจะไปมองจิตทําท่าจะไปคิดทําท่าจะไปวิเคราะห์ทําท่าทําท่าทําท่าอยู่แล้วทั้งวัน แต่ถ้าไปปุ๊บไปคิดเป็นนู้นคิดนีถึงคนนั้นคนนี้อดีต น, นานคนอันนั้นคือเอาตัวเราถลําไปเป็นคนคิดแล้วเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมาถ้าเราเนี่ยฝึกได้ขั้งนั้นแล้วเนี่ยจนถึงกิริยาการที่เกิดมาทุกทุกทุกคิดในใจออกไปรองรับเราต้องฝึกขึ้นมากๆเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่าทิ้งไปอย่าทิ้งขว้างเพราะว่าจะเสียหายจะเสียหายแต่มันจะรู้อย่างนั้นเนี่ยได้ไม่นานหละ่ะมันจะถลําหลงไปเป็นคนคิดแหละ แต่เราฝึก บ, ไบ่ไปบ่อยๆเขาก็จะมีความชํานาญชํานาญมากขึ้นจนกระทั่งมันไม่มีถลำมอาตัวเราไปคิดได้แต่รู้ติริรยาการของจิตจิ๊บๆอย่างเงี้ยถ้ามันรู้โดยที่ไม่ไม่มันรู้ได้ต่อเนื่องยาวนานมันก็เป็นอาร่านไปแล้วไม่ต้องยาวนานหรอกทวันนั้นคืนหรอกถ้าสามารถรู้ต่อเนื่องในยาวนานสักชั่วโมงเร้กเราก็ว่าแทบจะรูุ้อรานไปแล้วแต่จิ๊บก็ไม่รู้ว่าจิ๊บฝึกผิดถูกถูกนะคะเพราะว่าบางครั้งที่จิ๊บไปฝึกในรูปแบบอะค่ะมันก็ไปเที่ยว ไปเป็นชานไปเป็นอะไรอย่างนี้อีกแล้วเหรอไม่เจฝึกในรูปแบบเราต้องอยู่คนเดียวเงียบๆเราจะไปนั่งหลับตานิ่งๆ น, นะไม่ต้องทําแบบนั้นออใช่ไหมเออไม่ใช่แต่เห็นกิริยาการอย่างจิตอย่างนี้เราไม่จะไปนั่งหลับตานิ่งๆไปเดินจงกลมจ้าจานิ่งๆเราไปจับอารมณ์จับความรู้สึกนะคืออยู่คนเดียวเงียบๆเพื่อสังเกตเห็นว่าเราเนี่ยหลงไปคิดหรือว่าจิตการแสดงกิริยาการนี้ขึ้นมาให้ให้ใจเ่ะได้รู้ คือเหมือนกับว่ามีรูปมาตาจึงเห็นมีเสียงมาตัหูจึงได้ยินมีกิริยาอาการของใจมาเนี่ยใจจึงได้รู้ไม่ใช่ว่ากิริย า, าการของใจไม่เกิดเราไปจ้องดูแ ล, ล้วที่บอกว่าไปพยายามจะเฝ้าดูไว้อันนี้มันคือไอ้กิริย า, าการที่ไปเฝ้าดูเนี่ยอันนี้คือเป็นกิริยาการของใจที่ถูกรู้ที่เราพยายามไปเฝ้าดูก่อนโดยที่ยังไม่มีอาการมาให้รู้เนี่ยไอ้ตัวที่ไปเฝ้าดูก่อนเนี่ยอันนี้คือกิริยาการของใจที่ถูกรู้ ว่าเนี่ยมึงไปทำทำท่าทางเฝ้าดูแหละไปพยายามจะดูแหลไปพยายามจะรู้แหละอันนี้คือกิร mm ิยาการท anyway, mm ั้งใจที่ถูกรู้เพราะมันยังไม่ม really, mm ีอาการให้รู้เลยแต่ว่ามันเกิดก่อนมาเลยเป็นเป็นกิริยาอาการก็เลยมีมีรูปตาจึงเห็นมีเสียงหูจึงได้ยินมีกิริยาการใจจึงรู้นี่มันมันยังไม่ม <What? S 1> ีกิริยาการอะไรเกิดขึ้นเลยมันไปเฝ้าดูไว้ก่อนแล้วไอ้ตัวมันเลยเป็นกิริยาการที่ถูกรู้เ่ะเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดเลยมึงไปเฝ้าดูแลเห็นไหมเอ้ยเลยตัวไอ้เฝ้าดูมันเลยกลายเป็นกิริยาการที่ถููกร้